ตอนที่หนึ่งสี่ผลกรรมของเขาหลังจากโจเจียนเยี่ยกับหลิวเคอเคอจัดไปหลีหวานจึงค่อยกลับมาเวนโม่ถามนางด้วยความสงสัยทำไมเจ้าไม่ถามเราว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้ป่วยจริงหรือแค่แซงทำไม่เกี่ยวกับฉันน้ําเสียงของหลีหวา น, นราบเรียบนางจะอยู่หรือตายก็ไม่เกี่ยวข้องกับฉันแม้แต่น้อยใช่แล้วคิดแบบนี้แหละถูกศาสตราจารย์เจียงพยักหน้าเห็นด้วยการทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ไม่สําคัญเหวนโม่กับพริปตา แล้วจะคิดว่าเขาจะรักษาผู้หญิงคนนั้นไหมไม่หรอกหลีหวันสายหน้าปฏิเสธทันทีคนอย่างเขาที่แม้แต่ลูกสาวแท้ๆยังลงมือได้นำภาษาอะไรกับคนข้างหมอในสายตาเขาสิ่งที่สาคัญที่สุดคงมีเพียงตัวเองเท่านั้นคนที่เห็นแก่ตัวอย่างเขาคาดว่าอีกเดี๋ยวคงจะโยนผู้หญิงคนนั้นทิ้งไปโดยตรงส่วนจุดจบจะเป็นอย่างไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหลีชิงผิงรู้เรื่องนี้จากปากของหลีหวันพอได้ยินว่าลูกของหลิวเคอเคอตายแล้วนางก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกสังเวชใจเด็กคนนั้นยังดูดีอยู่เลยไม่ใช่หรือ ก็แค่มีโรคประจำตัวนิดหน่อยตอนออกจากโรงพยาบาลยังบอกว่าผ่าตัดได้อยู่เลยทำไมผ่านไปไม่นานถึงจากไปเสียแล้วปรับใดที่มีเงินเขาก็มีชีวิตรอดได้แต่ตระกูลโจไม่ยอมควักเงินรักษาแน่นอนว่าเขาย่อมไม่มีชีวิตรอดหลหวันสังเกตเห็นความเวทนาบนใบหน้าของแม่จึงได้แต่บอกว่าทั้งหมดนี้คือโชคชะตาหากจะโทษก็ต้องโทษที่เด็กคนนั้นเกิดมาผิดที่ผิดทางเอง แม่ข้ตอนนี้เราควรจะรู้สึกยินดีที่หลุดพ้นจากขุมนรกนั้นมาได้ทโจเจียนเยียยังไม่อยากขาดจุดจบของหลิวเคอเคอในตอนนี้ก็คือจุดจบของพวกเราแม่ลูกในอนาคตเมื่อถูกลูกสาวเตือนสติหลีชิงพิงก็รู้สึกเย็นว่าไปถึงสันหลังอย่างบอกไม่ถูกที่ลูกพูดมานั้นมีเหตุผลแต่ตอนนี้หลีชิงพิงยังมีความกังวลอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือการแก้แค้นของโจเจียนเยียตอนนี้ชีวิตเขาไม่ดีเขาจะอิจฉาที่พวกเราสองคนมีชีวิตที่ดีหรือเปล่า แล้วจะคิดหาทางมาแก้แค้นพวกเราไหมเป็นไปได้ค่ะลีวัรณนพยักหน้าสถานการณ์เหล่านี้ล้วนมีโอกาสเกิดขึ้นความกังวลของลีชิงผิงไม่ใช่เรื่องไร้สาระแม่คะเพราะฉะนั้นเวลาแม่จะออกไปไหนต้องระวังตัวให้ดีตอนนี้ต้องระมัดระวังเป็นอันดับหนึ่งปกติแม่แทบไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่แล้วนอกจากจะอยู่ในบ้านลูกนั่นแหละที่อันตรายที่สุดต่อไปห้ามไปเจอโจเจียเ้ยนเยี่ยตามลําพังเด็ดขาดเข้าใจไหมลีชิงผิงยิ่งคิด ก, ก็ยิ่งกลัว เสี่ยวหวันแม่ไม่หวังอะไรอื่นแม่แค่หวังให้ลูกเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงและปลอดภัยโจจีเอียนเย่ต้องคิดเรื่องไม่ดีแน่ๆพวกเราควรจะอยู่ห่างจากเขาให้มากที่สุดแม่คะตอนนี้พวกเรามีคนคุ้มครองนะมีพ่ออยู่ด้วยแม่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นคำพูดของหลีหวันทําให้หลีชิงผิงค่อยๆสงบลงนางคงจะคิดมากไปจริงๆนี่อยู่ในบ้านตระกูลเจิง้งโจจีเอียนเย่ทําอะไรไม่ได้หรอกตระกูลหลิวแม่หลิวมองดูลูกสาวที่ถูกส่งกลับมาในสภาพสติฟัน่นเฟือนจนถึงกับอึ้งไป ตอนที่ลูกสาวไม่มีปัญหาพวกเขาก็รีบมาประจบประแจงทั้งปอบทั้งหลอกเพื่อตกแต่งนางไปแต่พอตอนนี้ป่วยแถมยังมาป่วยที่บ้านของพวกเขากลับส่งตัวคืนมาทันทีประกูลโจช่างวางแผนได้ล้ำลึกจริงๆแม่หลียวแค้นยิ้มเย็นในใจนางเองก็ไม่ต้องการลูกสาวคนนี้เช่นกันโจเจี้ยนเย่แกกับลูกสาวฉันยังไม่ได้อยากกันเลยนะแกส่งตัวนางกลับมาหาฉันแบบนี้หมายความว่ายังไงรีพานางกลับไปเดี๋ยวนี้เกิดเป็นคนบ้านแกตายก็ต้องเป็นถีบ้านแก แม่หลิวตวาดเสียงกร้าวลูกสาวฉันกลายเป็นแบบนี้ก็เพราะแกทํำร้ายนางแกนึกจะส่งคืนก็ส่งคืนลองถามมโนธรรมของแกดูสิว่านี่มันใช่สิ่งที่คนเขาทํากันไหมลูกสาวฉันไม่มีความดีก็มีความชอบนะนางเป็นถึงนักศึกษาที่มีอนาคตไกลแต่กลับแม่หลิวพูดด้วยความโกรธจนเสียงขาดหงอยไปกะทันหันนางรู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันทีจึงพยายามข่มความเจ็บปวดแล้วพูดต่อว่า ถ้าแกไม่พานางไปฉันจะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจฉันจะไปอารวาสที่เขตทหารของพวกแกฉันอยากจะรู้นักว่าแกยังจะอยู่ในเขตทหารต่อไปได้ไหมได้ครับคุณแม่จะไปอารวาสที่เขตทหารยังไงก็ได้ตามใจเลยเพราะตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วคนเท้าเปล่าไม่กลัวคนสวมรองเท้าหรอกถ้าผมต้องเสียงานนี้ไปผมก็ไม่มีเงินเดือนเหลือมาเลี้ยงดูลูกสาวคุณแม่เหมือนกันโจเจีนเ้นี้ทำตัวเหมือนคนไม่มีอะไรจะเสีย ผมเสียใจที่เคอเคอรกลายเป็นแบบนี้ผมพยายามทําดีกับนางที่สุดแล้วแต่มันไม่มีทางเลือกจริงๆตอนนี้นางเหมือนคนบ้า น, นึกจะทำร้ายใครก็ทําพ่อแม่ผมก็บาดเจ็บกันหมดถ้าผมมีทางอื่นผมไม่มีวันส่งนางกลับมาให้คุณแม่หรอกคุณแม่ครับนี่ก็ลูกสาวคุณแม่เหมือนกันถ้าคุณแม่รับนางไว้ไม่ได้ก็คงต้องส่งเข้าโรงพยาบาลจิตเวชแล้วละ่ะแตโรงพยาบาลจิตเวชก็ต้องใช้เงินถ้าไม่มีเงินก็คงต้องโยนทิ้งไปข้างนอกปล่อยให้นางไปที่ไหนก็ได้ตามยถากรรม แม่หลิวทนฟังต่อไปไม่ไหวสิ่งที่โจเจียนเ ย, ย่พูดออกมามันคือคําพูดของคนสารเลวชัดๆหน้าอกของนางกระเพื่อมขึ้นลงอย่างรุนแรงแกใส่หัวไปเลยนะใส่หัวไปให้ไกลที่สุดโจเจียนเ ย, ย่เองก็ไม่อยากอยู่ต่อหากแม่หลิวทนดูไม่ได้ก็คงหาข้าวให้ลูกสาวกินเองแต่ถ้าใจดำอมหิทธ์จริงๆจะไม่สนใจก็ช่างเถอะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นลําพังแค่คนในบ้านเขาก็เลี้ยงดูไม่ไหวแล้วแถมข้างนอกกิงติญี้สินงอยู่อีกไม่น้อย สิ่งที่ทําให้สถานการณ์ย่ําแย่ลงไปอีกก็คือปีนี้โจเจี้ยนเย่ยจะถูกบังคับให้ปลดประจำการและไม่มีเงินบํานาญทหารให้ด้วยช่วงที่ผ่านมาเขาทําผลงานได้แย่มากประกอบกับถึงเกณฑ์อายุที่ต้องปลดประจำการเบื้องบนจะมีคําสั่งเช่นนี้ออกมาซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยโจวเจี้ยนเย่ ย, ย, ยอมรับไม่ได้เขาเป็นทหารมาหลายปีพอต้องปลดประจำการกับทหันหก็ไม่รู้จะไปทําอะไรกินยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาจะไม่สามารถอยู่ในเมืองต่อไปได้อีกต้องกลับไปอยู่บ้านเกิดเท่านั้น แต่บ้านและที่ดินที่บ้านเกิดก็ขายไปหมดและนี่มันคือการบีบให้คนต้องจนตรอกชัดๆพ่อเหนียนช่วยหลานได้ยินข่าวนี้ก็ร้องให้จนตาแทบบอดนางร้องให้ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่รู้ว่าหลานชายป่วยดวงตาจึงรับไม่ไหวปกติพ่อโจต้องรับหน้าที่ดูแลคนแก่และเด็กในบ้านจึงไม่มีเวลาออกไปทำงานหาเงินจนสุดท้ายก็ล้มป่วยไปด้วยความเหนื่อยล้าตอนนี้ภาระและความกดดันทั้งหมดในบ้านตกอยู่ที่บาของโจเจี้ยนเย่ยเพียงคนเดียว เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตรอดทางเดียวคือต้องกลับไปอยู่ชนบทนี่เพียงวิธีนี้เท่านั้นที่จะลดค่าใช้จ่ายลงได้แต่ก่อนจะจากไปโจเจีน้นเยี่ยยังอยากจะพบหลีหวานและแม่ของนางสักครั้งเพราะการจากไปครั้งนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้พบกันอีกตอนแรกหลีชิงถิงไม่เห็นด้วยแต่เป็นเจิ้งอวินชงที่มอบความรู้สึกปลอดภัยให้นางหากพวกนางแม่ลูกอยากไปก็ไปได้เขาจะคอยเฝ้าอยู่ข้างนอกเองพอได้ยินเขาพูดแบบนั้นหลีชิงผิงก็เบาใจลง แต่ก็ยังต้องระแวดระวังโจเจียนเย่ยเอาไว้พวกเขานัดพบกันที่เขตบ้านพักทหารโจเจียนเ ย, ย่พาลูกสาวมาด้วยเพราะที่บ้านไม่มีใครคอยดูแลเด็กลิชิงพิงเหลือไปเห็นเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้หน้าตาช่างเหมือนเสียวันตอนเด็กๆ็กเหลือเกินแววตาของนางสันไหวเล็กน้อยโจยเจี้นเย่คุณยังมีอะไรจะพูดอีกชิงพิงผมรู้สึกว่านี่คือผลกรรมที่สวรรค์ลงโทษผมความแค้นในใจคุณคงจะสลายไปแล้วใช่ไหม